หรือว่าฝึกความเพียรอย่างเดียวแต่ว่ายังฝึกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่าต้นไม่นี่กว่าจะโตเป็นต้นใหญ่แล้วก็กลายเป็นป่าได้นี่มันใช้เวลานานเป็น1ิปีหรืออย่างน้อยงั้นถ้าเกิดปลูกแล้วนี่หวางใจไม่เป็นก็จะทําอย่างไม่มีความสุขหรือว่าท้อซะก่อนเพราะว่าคนเราก็ชอบไป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 อยู่ได้ด้วยดีมันจะกี่พันกี่หมื่นต้นก็ตามเราก็จะดูแลเฉพาะต้นที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีทำให้ดีแล้วเอกที่เหลือเราก็ค่อยขยับไปแต่ถ้าเกิดเราไปมองว่าโ อ, อ้กต้องเป็นหลายร้อยหลายพันหรือเป็นหมื่นต้นเนี้ยไอ้ต้นที่เราทำอยู่มันแทบจะไม่มีความหมายเลย เพราะามันเป็นแค่หนึ่งในพันหนในหมื่นแล้ให้เราไม่มีความสุขแต่แต่นับนับตนหรือนับเวลานับวันคนในนี้เวลาทํางานก็นับวันเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จทํางานวันแรกก็นับแล้วเมื่อไหรจะถึงวันเงินเดือนออก29 28 27 26นับกันไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าเวลามันยังอยู่ไก ล, ลยิงเรื่องการปลูกป่ามันมันไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีบางทีมัน10ปีก็ไม่รู้จะเห็นผลหรือเปล่าแล้ยิ่งต้นไม้นี้มันไม่ใช่เป็นต้นไม้ของเราไม่ใช่ป่าของเราเรามาเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวก็ยิ่งไม่มีแรงจูงใจที่จะทา เพราะว่าคนเราจันี้จะทำอะไรก็ต้องอาศัยความยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูอันไหนที่ไม่ใช่เป็นที่ของกูเป็นบ้านของกูก็ไม่เค่อยสนใจต้องให้เป็นที่ของกูบ้านของกูเนี่ยอ้าวราถึงจะกระตือรือร้นหรือว่าป่าของกูเียทุกวันนี้เราก็ทำกันโดยอายตันหาเนี่ยเป็นแรงผลักคือต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก่อน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 ใจนี่ก็เฝ้าแต่เป้าหมายว่าเมื่อไหร่จะถึงและเมื่อถึงแล้วก็เหนื่อยเสร็จแล้วก็ลงตอนลงนี่เขาสังเกตว่าโอ้ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามมากแล้วเขาก็ได้คิดว่าอตอนขึ้นเนี่ยทำไมไม่สังเกตสองข้างทางเพราะใจมันคิดแต่ว่าจะถึงใจมันไปอยู่ที่บนยอดแล้วเมื่อยังไม่ถึงยอดก็ทุกข์และความสุขที่จะได้จากการ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 ทะเลาะ ก, กับคนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวสุขภาพแย่ยเพราะว่าต้องเล่งเอาให้ถึงข้างหน้าจนตอนที่มันก็ไปถึงได้โดยที่มีเวลาได้พักผ่อนมีเวลาได้ออกกำลังกายมีเวลาได้ดูแลสุขภาพมีเวลากับครอบครัวมีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้ทาเพราะว่าใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ เกเรียนก็คือลือจะไปให้ถึงสักทีอันนี้ก็เหมือนกับนักปฏิบัติทำเมกันนะพอเรามีความมีเป้าหมายว่าจะให้ได้บรรลุคุณวิเศษหรือบรรลุธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยใจมันก็ไปจ่ออยู่ขา้างหน้าแล้วแล้แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ล ะ, ตละวินาทีก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเครียดขณงที่ถ้าอยู่กับปัจจุบันสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจถ้าวางใจให้เป็นเอเ อ, อมันสบายทุกวินาทีเลย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 ในตอนลงนี่แหละก็ถึงได้พบว่าโอ้ชีวิตนี้มันมีความสุขให้เราได้เก็บเกี่ยวอยู่ทุกขณะปัจจุบันขณะซึ่งเราไม่ได้เห็นไม่ได้มองอันนี้เพื่อนคนนี้ก็เล่าให้ฟังเนะี่ยเขาก็ชื่นชมกับชีวิขาลงมมาเพราะตอนนี้เขาก็อายุห้าสิบกว่าแล้วก็กําลังลงแต่เขาไม่รู้สึกเขามีความทุกข์เลยเขารู้สึกว่าเออในชีวิตขาลงนี่มันดีกว่าขาขึ้นเยอะได้ได้บทเรียน ในการเดินทางเนี่ยหลวงพ่อคำเขียงก็จะพูดอยู่เสมอว่ามันถึงต่อเมื่อมันถึงถึงต่อเมื่อมันถึงอย่าไปสนใจมันเลยว่าเมื่อไรจะถึงถึงแล้วก็รู้เองอ่ะน่ใช้คําว่าถึงต่อเมื่อมันถึงที่จริงเนี่ยต้องเรียกว่าถึงทุกขณะอยู่แล้วเหมือนกับเวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันอยู่แล้วคนไปสนโมก ก็ไปถามอาจารย์พุทธทาสว่าไอ้ตึกอาคารต่างๆนี่เมื่อไหรจะเสร็จสักทีพอมาปีแล้วปีเล่าก็ยังขยืดขยับไม่เท่าไหร่เพราะว่าที่นั่นก็ไม่ได้เร่งสร้างอะไรนะสร้างต่างกำลังแล้วก็อาศัยแรงพระเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกวันโกนี่ ว, นวันวิปัสสนากรรมกรพระนี่ต้องมาเป็นกรรมกรถือว่ามาบำเพ็ญวิปัสสนากัน ในวันโกนงานก็ไปได้ช้าก็คนมาถาว่าเมื่อไรจะเสร็จแล้วทีอาคารพวกนียญาติพุทธาก็บอกว่ามันเสร็จทุกวันแหละเสร็จทุกวันเหมือนกับการรักษาป่าเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันนะจริงจมันเสร็จทุกวินาทีอยู่แล้วมันเสร็จทุกต้นที่เราปลูกการเดินทางก็เหมือนกันมันถึงทุกขณะที่ย่างก้าวเวลาเดินทางที่ต้องเราลึกไว้ว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเทานะ้านั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 ยิ่งงานที่มันให้ผลช้าให้ผลนานนะฝึกแบบนี้ยิ่งดีมันยิ่งไม่ไม่กลัวงานไม่กลัวงานหนักไม่กลัวงานยากไม่กลัวงานใหญ่ทาทุกวันให้ดีทำทุกชั่วโมงให้ดีแล้วก็ย่อลงมาจึงทำทุกนาทีให้ดีทำทุกวินาทีให้ดีให้ดีด้วยใจที่ไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้หมายมันจะให้เสร็จให้ให้งามันเสร็จนะบางทีทาให้ดีนี่ไป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 ลูกศิษย์อเมริกันก็เลยถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงอาจารย์ก็บอกก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยปิษณรรมหรือเปล่านะเพราะคนก็เห็นอาจารย์ทำตลอดเวลาก็ที่ทำมันทำแต่กายแต่ใจนี่พักคนส่วนใหญ่นี่กายไม่ได้แบกขีดอย่างเดียวใจมันแบกหิดไปด้วยใจมันแบกขิดด้วยก็เหนื่อยก็หนักแต่ อ, อาจารย์นี่ใจไม่ได้แบกบ ไม่ได้เลงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทำไปเรื่อยๆทำแต่ละก้อนก็ทําให้มันดีก็กลายเป็นว่าทําทั้งวันแต่เมือนกัเป็นการพักผ่อนผมพักผ่อนตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์บอกนี่วันอาจารย์พูดถ้าก็เหมือนกันอาจารย์พูด้ทีเขาบอกว่าผมวันทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยท่านเขียนกรอน้อยว่าวันทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็เห็นทําทั้งวันเนี่ยท่านอาจจะบอกอาจจะบอกว่าก็ยก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 บูบาอามันท่านก็บอกว่าเนี่ยปฏิบัตินี้ต้องมีหลักอย่างนัน้คือไม่กลัวว่าจะไม่บรรลุว่ากลัวแล้วนี่มันก็จะเล่งทำแล้วก็เครียดบรรลุเมื่อไรก็ก็รู้เมื่อนั้นแหละอันนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยมันลองเรียนนะลองเรียนลองศึกษาจากการทํางานดูโดยเฉพาะงานซึ่งมันให้ผลช้ากว่าจะให้ผลนี่นาน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 ถ้างานไหนสำเร็จชนะทมก็มีคนเคยถามรสนารนะสนานี่ก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวให้กอฟอรฟผเนี่ยยุติการแปลรูป ก, กลับมาเป็นรักวิสากิจใหม่ซึ่งตอนที่เขาเคลื่อนไหวนี่ไม่มีใครคิดว่าสำเร็จเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองแม้แต่ทนายความก็ยังไม่อยากจะทำเลย พาะไม่อยากได้ชื่อว่าทำแล้วแพ้เพราะว่าคดีของเขานี่ทําแล้วชนะทั้งนั้นหลายคนก็บอกจอะทำเลยทำแล้วแพ้รษณะก็เลยถามว่าแล้วคุณจะทำเฉพาะงานที่มันชนะเอคนเราถ้าทำแต่งานที่มันชนะนี่มันก็ไม่เขาท่าแล้วบางทีเราต้องทำทางที่เรารู้าอาจจะแพ้แต่เพราะมันถูกต้องเพราะมันเป็นธรรมอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะซึ่ง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 หรือจะไม่ทำอะไรเพราะกลัวถูกเขาดา่าแม้อะไรบางอย่างงานบางอย่างที่ทำแล้วคนเขาจะต่อว่าคนเขาจะไม่เห็นด้วยคนเขาก็จะประนามแต่มันถูกต้องก็ต้องทำอันนี้แหละคือธรรมมาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกจากงานจาักการถือว่างานที่มันทำแล้วมันจะไม่สำเร็จหรือโอกาสจะสำเร็จมีน้อยอันนี้แหละคือฝึก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 เราจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าทําแล้วมันดีก็ทำไปเถอยังไงก็คนน่ก็ได้ประโยชน์วันยังคําและยิ่งได้ผลช้ายิ่งต้องทําก็ได้ยกตัวอย่างให้กับพวกที่ปลูกป่าเรื่องของโซนเดปัสันนสงคราตองค์หนึ่งกับหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องนี้ก็สามสิสี่สิปีแล้วสมัยที่โซนเดปัสันนสงคราตองค์นั้นยังคลองวัดบวรนิเวศองค์นี้ก็เป็น ประชาของในหลวงองปัจจุบันในหลวงปัจจุบันก็บวชไปเมื่อสีปีที่แล้วเรื่องนี้ก็เกิดใกล้ๆกันหมเราชวนคือพระโมทก็ไปไปเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชรงนี้ที่ตำหนักก็เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอยู่ในกระป๋องนมหยุดหน้าตำหนักก็เลยถามสมเด็จพระสังฆราชว่าต้นอะไรสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าต้นพยอมว่าเจ้า ว, ว่าที่โวหินให้มาถ้านบึงกลับจากโวหินก็เลย เอาต้นเนี่ยเบาๆาไว้ที่หน้าตําหนักพระม่อก็เลยถามว่าต้นอะไรได้คําตอบว่าต้นพยอมต้นพยอมพอเลืเป็นต้นพยอมหมอมรุชงคือก็ร้องโ oh, อ oh ้โหทำไมอะโอ้โ oh, ห oh, ทำไมก็ต้นพยอมนี่กว่ามันจะโตแล้วมันจะออกดอกนี่ให้เราได้ชื่นชมนี่ก็50ปีชนะแล้วสมเด็จ น, นี่ก็ชราขนาดนี้แล้วจะได้มีโอกาสเทสเหรอซึ่งพระสงฆ์เราก็ถามว่า มันอย่างนั้นเชียวเหรอบอกเคริสก็บอกาใช่50ปีเชียวพอหมอราชนคลิกยืนยันอย่างนั้นสมเด็จพระสังฆราชก็รีบตะโกนเรียกไว้วัจกรมาทันทีเลยต้อใช่ว่าร้องเสียงลั่นเลยบอกให้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยต้นนี้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ชาอย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวและท่านก็ลงท้ายว่าอย่าให้ลูกจากความประมาทคือ คนธรรมดาเนี่ยอะไรที่มันให้ผลช้านี่ก็รอก่อนหรือไม่ก็ทิ้งไปเลยลืมไปเลยแต่สุนทรภัณฑ์เรานี้เนี่ยอะไรที่มันให้ผลช้านี่ต้องรีบทําก่อนเลยเพราะมันจะทําให้อย่างน้อยก็ช้าลงอย่างน้อยก็จะทําทให้มันได้เห็นผลเร็วขึ้นอีกหน่อยนั่นใช่ว่าไม่ประมาทอย่าให้ลูกแก่ความอย่าให้ลูกแก่ความประมาทคือชาวพุทธเนี่ยความประมาทนี่ก็ถึงหมายถึงอันนี้เลคืออะไรที่มันให้ผลช้าแต่มันดีก็ต้องรีบทําก่อน คนธรรมดาก็เก็บเอาไว้ทีหลังความประมาคือการผัดเพี้ยนนะผัดเพี้ยนผัดผ่อนนะเพราะนั่นนี่อันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะให้เราได้ลองปฏิบัติธรรมกับงานกับการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเดินการเดินทางไกลอย่างธรรมญาตราที่เราจัดเดินทุกปีนี่ก็ฝึกปฏิบททัติธรรมคนก็บอกโอ้ยเดินไปทําไมทุกปีสิ่งมันล้อมเห็นดีขึ้นเลย อันนั้นก็ก็ยังเถียงกันได้ว่าถ้าเดินไปสักยีป่ปีถ้าสิ่งของเราไม่ดีขึ้นค่อยว่ากันแต่ว่าทุกวันทุกขณะที่เดินนี่มันได้อยู่แล้วมันได้ฝึกการปฏิบัติมากเลยใครที่ไม่เดินก็ไม่รู้นีแต่ที่เดินนี่ก็จะติดใจก็จะมากันนะเพราะว่ามันได้ฝึกจริงๆแล้วก็ได้รับได้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เรียนรู้จากการทํางานต่างๆทั่วไป